2. อ, อัญญานกถาว่าด้วยความไม่รู้ 3. 1 4ร้อยสิบสี่สกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีอวิชาอวิชโชคะอวิชายโยคะอวิชานุัยอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยตอวิชานิวรของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที อวิชาวิโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยชนอวิชานิวรของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีหากอวิชาอวิโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยชนอวิชานิวรของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ความไม่รู้ของพระอระหันต์มีอยู่ส ก, กวาธีความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่และอวิชชาอวิชโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยชน์อวิชานิวรณ์ของปุถุชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาที ความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่และอวิชชาอวิชโชคะอวิชยาโยคะอวิชานุสัยอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยชน์อวิชานิวรณ์ของพระอรหันต์นั้นก็มีอยู่ใช่ไหมปะรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่แต่อวิชชาอวิชโชคะอวิชยาโยคะอวิชานุสัยอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยชน์ อวิชานิวรณ์ของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่แต่อวิชชาอวิชโชคะอวิชยาโยคะอวิชานุใสอวิช า, า, ช า, ส, า, ชาสังโยน์อวิชานิวรณ์ของปุถุชนไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที crafts. ความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระอาหารหันถูกควาไม่รู้ครอบงำจะพึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์ตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยวผิดพันรยาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวธิคมใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีความไม่รู้ของผู ion, ุ้ชนมีอยู่ปูุ้ชนถูกความไม่รู้ครอบงำจะพึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่พระอรหันต์ถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วจะพึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่และพระอรหันต์ถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่ปล้นชาวบ้านไม่ปล้นชาวนิคมใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนถูกความไม่รู้ครอบงำ แล้วไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่ปล้นชาวบ้านไม่ปล้นชาวนิคมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีความไม่รู้ของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีความไม่รู้ในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายในปฏิจจสมุปาท ที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่รู้ในพระศาสราในพระธรรมในพระสงฆ์ใน значит, ศิตขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความไม่รู้ในปฏิจจสมุปาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีหากความไม่รู้ในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกวาที ความไม่รู้ของปุุ้ชนมีอยู่ความไม่รู้ในพระศาสดาในธรรมในพระสงฆ์ความไม่รู้ในปฏิจจตมุปาที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุุ้ชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ความไม่รู้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์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 สกวาทีความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่ความไม่รู้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น315รสกวาทีความไม่รู้ของพระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอระหันต์มีอยู่สกาวาทีความไม่รู้ของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักาวาทีโทสะโมหะอนตุตตะปะพระอระหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเ ห, เหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ไม่ใช่หรือประวาทีใช่ สกวาทีหากอนตุตตะปะพระอรหันต์ละได้แล้วตัดปรากรถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดปรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เจริญมักเจริญเพื่อชง เพื่อละราคะใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีหากพระอรหันต์เจริญโพชทธชงเพื่อละราคะท่านก็ไม่ควรอยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอราหันต์มีอยู่ส ก, กวาทีความไม่รู้ของพระอราหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใชส่ส ก, กวาทีพระอรหันต์เจริญมักจเจริญโพชทธชงเพื่อละโทะสะเพื่อละโมหะ เพื่อละอ น, นุตตะปะใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงเพื่อละอนโนตตะปะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากปราคาโทสะโมหะ ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ ais, ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่316ร้สกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ ความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีสกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีใช่ไหมปรวาธีใช่ สกวาธีความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วแต่ความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วแต่ความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหม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 ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญมรรคเจริญโพชชงเพื่อละราคะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นจเจริญโพชชงเพื่อละราคะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญมัตเจริญโพชชงเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอนตตร ป, ปะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญโพชชงเพื่อละอนตตรปะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะ ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหม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 สกวาธีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญมรรคเจริญโพชชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอนโตตปะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญโพชชงเพื่อละอนุตตะปะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว ความไม่รู้ของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามสกวาทีความไม่รู้ของพระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกาวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าพิจตุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ไม่ได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาตะวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาตะวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นยูู่่ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นภัยแ e n งอาสวะจึงมีมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาตวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ไม่ได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาตวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาตวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่านี้ทุกข์นีทุกขสมุทยัยนีทุกขณิโรธ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 สักวาทีพระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่คลายกําหนัดไม่ละสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์แต่บุคคลเมื่อรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกําหนัดละสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่ สกวาธีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกวาธีความไม่รู้ของพระสกวาธีความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละธรรมสามประการคือ สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลับพตปรามาตได้อย่างสิ้นเชิงแล้วพร้อมกับการบรรลุโสดาปติมัตคพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสี่และจะไม่ทำภิฐานหกมีอยู่จริงวมเใช่หรือระวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกวาที ความไม่รู้ของพระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าพิจิตรทั้งหลายในสมัยที่รรมาจากสุทิปราศจากรธุลีราชจักรนลินเกิดขึ้นแกอริยสาวกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งโสดาปฏิมักอเลสสาวกย่อมละสังโยชได้สามประการคือสกายทิตติวิจิกิจฉาและสีลพัตตปรามามีอยู่จริงไมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า ความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์ไม่รู้ชื่อและโคดของสตรีและบุรุษไม่รู้ทางและไม่ไม่ใช่ทางไม่รู้ชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์ไม่รู้ชื่อและโคดของสตรีและบุรุษไม่รู้ทาง และมิใช่ทางไม่รู้ชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ดังนั้นท่านควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ส ก, กวาทีพระอรหันต์ไม่รู้ชื่อและโคดของสตรีและบุรุษไม่รู้ทางและมิใช่ทางไม่รู้ชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้น ความไม่รู้ของพระอาหารหันต์จึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีพระอาหารหันต์ไม่รู้โสดาปติผนสกทาคามิพลอนาคามิพลหรืออรหัตตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัญญาณกถาจบ